ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายในการบรรยายพระสูตรในวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายปีพุทธศักราช2526แล้จะขึ้นปีใหม่แล้วตามปกติในโอกาสปีใหม่ก็จะมีการส่งสอกอสอให้ศีลให้พรกันตั้งความปรารถนาที่จะให้ ซึ่งรับสอกรสอมีความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในอิทธิผลที่ตนต้องการซึ่งอิทธิผลเหล่านั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คืออายุวันนะสุขภัละหรือโลกธรรมที่น่าปรารถนาได้แก่ลาบยศสันเสริญสุขซึ่งเป็นความต้องการร่วมกันของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ จึงจะได้นำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเกี่ยวกับองค์ธรรมที่จะนำให้เกิดความเจริญในด้านโล ก, กธรรมเหล่านั้นซึ่งมีข้อความโดยสรุปในตอนต้นว่าในคราวหนึ่งได้เกิดตุพิกภัยขึ้นที่แคว้นอังคะจึงกลายกับแคว้นราชสกฤ ถึงใคร่กับแพนมคตตุภิ ก, กภัยเวลาเกิดนั้นก็ทำนองอหิวาต ก, กระโรคโดยส่วนมากมันจะเกิดซ้อนๆกันสามโรคในบ้านเศรษฐีสกุลหนึ่งก็เกิดคนล้มตายกันเป็นนันมากเริ่มตายมาจากสัตว์เล็กๆกับสัตว์ใหจนถึงบริวารของสันเศรษฐี และมาถึงท่านเศรษฐีในขณะที่เศรษฐีกำลังถูกโรคคุกคางอยูอย่อย่างรุนแรงนั้นก็ได้เรียกลูกชายซึ่งอายุยังน้อยบอกให้หนีเอาตัวรอดแล้วก็บอกที่ฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้พอเมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้มาขุดทรัพย์สมบัตินะั้นออกไปชใช้จ่าย เด็กนั้นร้องให้อะไรพ่อแม่แต่ก็จำเ จ, จำเป็นจำใจในที่สุดก็ใช้วิธีที่เราเรียกว่าทำลายฝาเรือนหนีไปซึ่งอาจจะเป็นเคร็ดอะไรก็ไม่ทราบเพราะตามเรื่องที่ปรากฏทานหนีทุพพิภัพจะทำลายฝาเรือนหนีทั้งนั้น <c oughs> เด็กนั้นหนีไปอยู่ในที่อื่นเป็นเวลาถึงสิบสองปีแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วกลับมา ที่บ้านเดิมก็คิดว่าจะขุดทรัพย์สมบัติที่บิดาฝังไว้ไมาใช้สอยแต่ก็ไปลองขุดดูเห็นว่าทรัพย์สมบัติยังไม่เป็นอันตรายแต่กลับคิดใหม่ว่าใครไม่รู้จักเราในท้องถิ่นนี้พระจากไปตั้งแต่เป็นเด็กต า, ากว่าขืนขุดทรัพย์สมบัติขึ้นมา แทนที่จะเป็นประโยชน์ก็อาจจะเป็นภัยแก่ตัวเราจึงไม่ยอมขุดรับขึ้นอาส า, ศารับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านในในบริเวณนั่นเองต่อมาแกก็ได้งานอย่างหนึ่งคือการปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นทำกิจการงานของตนโดยมีสัญญาณตี แล้วก็มีคําประกาศบอกกล่าวให้ชาวบ้านทราบเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็ทํานองเป็นแขกหยาบนั่นเองแกประกาศไปจนในคราวหนึ่งพระเจ้าพิมพีสารพระเจ้าแผ่นดินมคตได้ยินเสียงของแกก็ประโรคขึ้นในที่นั้นว่าเสียงคนนี้เป็นเสียงของเศรษฐี ไม่ใช่คนธรรมดาสนมคนหนึ่งสงสัยก็ส่งคนไปให้ดูว่าเป็นเศรษฐีอะไรถึงมาโฆษณาอยู่เช่นนั้นก็รู้ว่าเป็นเพียงคนประกาศเวลาให้ชาวบ้านไปทํางานเท่านั้นเองก็กลับมากราบทูลพระเจ้าพิมพิสารแต่พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงยืนยันว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของเศรษฐี นางสนมนั้นมีศรัทธาเชื่อบ้านในรชาชวินิจฉัยของพระเจ้าพิมพิสารพระพเจ้าพิมพิสารนั้นมีวิชาที่เขาเรียกว่าฟังเสียงคนแล้วก็รู้ว่าใครเป็นใครซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษากันอยู่ในสมัยนั้นท่านใช้คําว่าส ป, ปะวรันอยู่คือรู้เสียงสัตว์เสียงนกเสียงคนและรู้ว่าอะไรจะเป็นอะไร ในลักษณะคล้ายๆกับมนประการหนึ่งเหมือนกันนางสนมก็กราบทูลขอพระบรมราชานุญาตต่อพระเจ้าพิมพิสารว่าจะไปขอพิสูจน์ดูว่าคนเนี่ยเป็นเศรษฐีจริงหรือไม่เสร็จแล้วก็ไป ท, ทําจีเป็นคนเดินทางเร่ร่อนไป ชายหนุ่มคนนั้นต่อมาก็เรียกชื่อว่ากลุมปะโกศกแกก็ไปขออาศัยในบ้านนั้นบ้านของกลุ่มพระโกศกุมะโกศกเป็นคนมีอัธยาศัยแม้ว่าบ้านจะแคบมีแต่เตียงนอนอยู่เพียงสองเตียงก็ให้สองแม่ลูกนั้นได้พักสนมของพระเจ้าพิมิสารวางแผนโดยลำดับก็หลายแผนด้วยกัน ก็ในที่สุดจนถึงกับลูกสาวที่ตามมาได้เป็นพัญญาของโกศลของกุมภโกศขแกก็ส่งข่าวไปให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศแก่ประชาชนภายในกรุงราชคือว่าให้จัดงานนักขัตฤกริกยกเงินมาซื้อของจัดงานนักขัตฤกิก สนมของพระเจ้าพิมิสานก็มาบอกลูกเขยว่าประราชาสั่งให้จัดงานขอใเจ้าเอาเงินมาแล้วก็แม่จะไปซื้อของมาจัดงานแกบอกแกไม่มีเงินหรอกเพราะว่าเงินก็พอกินพอใช้ไปแต่ละวันเท่านั้นเองสนมก็พยายามใช้อุบายวิธีต่างๆว่าจะไปหาที่ไหนมาก็ได้แต่อัเงินมาให้ได้เพราะทําไม่อย่างนั้นแล้วจะถูกอาดาของบ้านเมืองกุมภโคโส ก, ก็จําใจ ก็ไปแอบขุดที่ขุมทรัพย์ของตัวเองมาก็หยิบมาหน่อยหนึ่งก็มาให้แม่ยายแม่ยายก็ส่งไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เงินตัวเองจัดงานนะะะักขัตฤกต่อมาก็สั่งให้ประกาศข่าวอีกทีหนึ่งให้ลงทุนมากจัดงานใหญ่ขึ้นนางสนมก็ไปบอกกุมภโกศุให้จัดงานอีก กุมภโกศก็จาเป็นอีกก็ต้องไปเอาเงินมาจากกองสมบัติอีกทีหนึ่งแกก็ส่งกลับไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแต่แล้วสองแม่ลูกก็หายไปก้าวไปนในวังพระเจ้าพิมพิสารก็ส่งคนมารับกุมภโกศไปกุมภโกศก็ดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนด้วยวิธีการต่างๆแต่ในที่สุดก็ต้องไป คือคนที่มาจับมาเชิญไปก็ไม่บอกว่าเอาไปไหนไปทำอะไรแต่เพียงแต่ ว, ว่าพระราชาให้เข้าเฝ้าเท่านั้นเองแกก็ถือว่าแกไม่รู้จักกับพระราชาพระราชาจะมาเชิญแกไปทำไมแกไม่มีความผิดอะไรก็อยากวุ่นวายกันใหญ่และในที่สุดก็ต้องไปไปถึงพบแม่ยายกับพันยาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินอยู่ก็รู้ว่าเสียแผนแล้วพระเจ้าพิมิสารก็ถามว่า ทำไมเจ้าจึงซุกซ่อนทรัพย์สมบัติไว้เป็นนั้นมากไม่ขุดขึ้นมาใช้แกก็ปฏิเสธเมื่อก่อนก็ปฏิเสธพระเจ้าปิมิษานก็เอาเงินที่สนมส่งมาสองคราวนั้นมายันถามว่าเงินใครแกก็ต้องรับและในที่สุดแกก็ทูลว่าเพราะแกไม่มีที่พึ่งแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังไม่กล้าขุดทรัพย์สมบัติขึ้นมาเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายเนื่องจากไม่มีใครรู้จัก พระเจ้าพิมิสารก็ถามว่าคนอย่างเราเนี่เป็นที่พึ่งของเธอได้ไหมแต่แกก็บอกว่าถ้าพระองค์เป็นที่พึ่งก็เป็นบุญของแกแหละพระเจ้าพิมิสารก็รับเป็นที่พึ่งสอบถามที่ฝังทรัพย์สมบัติว่าอยู่ที่ไหนแกก็บอกให้พระเจ้าพิมิสารก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปขุดขนทรัพย์สมบัติมาหลายสิบเล่มเกวีย น, นเสรษฐีมหาสาร เสร็จแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีก็มอบกอธิดานางสนมซึ่งก็เป็นพัญญาอยู่ก่อนแล้วก็ให้อยู่เป็นสามีพัญญากันอาศัยที่พระองค์มีความชื่นชมในกุมภโกศกว่าทั้งทงที่ร่ำรวยอย่างนั้นแต่ก็อยู่ปอนๆได้แล้วก็ทำงานด้วยความเหนื่อยยากได้โดยไม่ยอมเอาเงินทองม า, ชาใช้จ่าย ก็นำกุมภโคศกไปฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเวรุวันกรกาบทูนเรื่องทั้งปวงให้ทราบพระเจ้าก็รับสั่งเป็นพุทธภาษิตว่ายศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติอุทานวโตคือมีความเพียรเป็นเหตุทุกข์ขึ้นทำการงานสติมโตมีสติสุจิกรรมมัตสะ มีการงานที่สะอาดนิสมกาดีโนจะทำงานอะไรก็ใครควรพินิพิจารณาเสียก่อนสัญญาตระศะมีความสำรวมระวังธรรมชีวิโนมีชีวิตโดยธรรมและอัปมตาตตะศะคือไม่ประมาททรงแสดงคุณธรรมคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ว่าเป็นทางเจริญแห่งยศของบุคคลทั้งหลาย ซึ่งก็หมายความว่าไม่ใช่เป็นคุณธรรมเจริญแห่งยศสำหรับกุมภโคโสเพียงคนเดียวแต่ว่าใครก็ตามถ้ามีคุณธรรมทั้งเจ็ประการนี้ก็ชื่อว่าเป็นทางเจริญแห่งยศได้สาหรับบุคคลดอท่านเซึ่งธรรมเหล่านี้ก็เป็นส่วนเหตุยศนั้นเป็นส่วนผลแต่ว่าเรื่องยศลาบพื้นเสียงอะไรนี้ที่จริงมันก็ตามมานะครับ คือเริ่มมาจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วสิ่งอื่นมันก็จะตามมาเป็นคนมีลาบต่อมาก็ได้ยศได้ความสุขแต่ทําทดีก็ได้สรนเสริญคนที่มียศก็เป็นเหตุได้เกิดลาบเกิดสุขเกิดสรนเสริญแล้วก็ทยอยกันไปปัญหาที่น่าศึกษาอยู่ก็คือประการแรกในการเรียงโลกธรรมโลกธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในโลกธรรมมาสูตรว่า เป็นธรรมะที่ครอบงําสัตว์โลกคือไม่ว่าใครก็ตามมันก็เกี่ยวข้องอยู่กับโลกกระทำทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเองก็เกี่ยวข้องอยู่กับโลกธรรมพระอรหันต์ทั้งหลายก็เกี่ยวข้องอยู่กับโลกกระทำทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับโลกกระทำทั้งหมดแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันระหว่างพระอริยะบุคคลกับพระกับสามัญชนทั่วไปนั้นก็มีอยู่เพียงว่าพระอริยะบุคคลเมื่อโลกธรรมฝ่ายที่น่าปรารถนาคือลาภยศสันเซิญสุข อกไฟที่ไม่น่าปรารถนาะคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเกิดขึ้นคือความรู้สึกของท่านจะสัมพันธ์กับความเกิดขึ้นของโลกธรรมเหล่านั้นพอสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเกิดก็เกิดดับก็ดับพารู้มาตั้งนานแล้วเพราะงั้นจึงจิตใจของท่านไม่ฟูขึ้นคือไม่ดีใจในเมื่อได้สิ่งเหล่านี้ แลยไม่ฟุบลงคือไม่เสียใจเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะไม่ได้ศึกษาธรรมของพระอริยะไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพระอริยะไม่ได้คบหากษัตริย์บุรุษพอฝ่ายที่น่าปรารถนาคือลาบยศสรรเสริญสุขเกิดขึ้นก็มีการเฉลิมฉลองชื่นชมยินดีคือใจไม่นฟูขึ้นรไปสิ่งเหล่านั้นแต่พอประสบก็อีกควากหนึ่งคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ฟุบลง มีความทุกข์มีความเศร้าโศกมีความเสียอกเสียใจอะไรต่ออไรเนี่ยบางทีมีอันนี้หนีตามชู้ไปก็ฆ่าตัวตายอะไรต่อเนี่ยนะตามข่ากล่าวก็เป็นเรื่องของคนที่ฟูขึ้นพุบลงเพราะโล ก, กธรรมการเรียงโล ก, กธรรมยังมีข้อที่น่าสังเกตอีกชั้นหนึ่งนะครับคือพระพุทธเจ้าทรงเรียงตามระดับจิตของคนในโลกนี้จนท่านผู้ฟังทั้งหลายจะพบว่า ในด้านการสแสวงหาลาบลาบนั้นเป็นสากลคือคือคือคือทุกชีวิตนะฮะจะต้องสแสวงหาลาบสิ่งที่เป็นวัตถุธรรมทั้งหลายคือวัตถุกรรมทั้งหลายใน แ, แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส่ิระพุทธเจ้าทรงเทศกันแรกเลยเรียกว่าการมัจุขันธิการอายกเป็นของสาธารณทั่วไปแก่ชีวิตทั้งหลาย พระชีวิตทั้งหลายจะต้องเกี่ยวข้องกับกรมคุณทั้งหลายเหล่านั้นแต่ว่าในชั้นของการสแสวงหาลาบคือในชั้นลาบนี้ถ้าเรามองดูให้ดีมันก็มีคนอยู่สามชั้นชั้นแรกนั้นไม่คํานึงถึงการได้มาอย่างที่เคยกล่าวอย่างที่ได้กล่าวในตอนกรมอาท่านคือไม่คํานึงถึงการได้มาขอให้ได้ก็แล้วการล้างพรานใครมาข้าวฟันใครมาปล้นใครมาทําลายชีวิตใครมา ก, ก็ไม่สนใจ ตัดป่าทำลายป่าอะไรก็เอามีหน้าที่รักษาวนาอุทยานแห่งชาติจับกวางขายก็เอาเอาทุกอย่างพวกนี้ไม่ได้คำหนึ่งถึงถึงการได้มาแต่ขอให้ได้กันแล้วกันเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยอาธรรมมากด้วยเวรมากด้วยภัยแต่เขาก็ได้ลาบเหมือนกันนะฮะอีกชั้นหนึ่งนั้น จะควบคุมตัวเองไว้ได้ในกรอบของธรรมะกรอบของศีลส่วนมากกรอบของศีลไม่จะกรอบของธรรมะเท่าไหร่คือถ้าหากว่าไอ้ลาบผลไม่ยั่วยุรุนแรงเกินไปก็จะคุมตัวเองไว้ได้แต่ถ้ามากเกินไปก็เก็บศีลใส่กระเป๋าไว้ก่อนเอาสตางค์ก่อนนี่ก็มีอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าความประนิดมันก็สูงขึน ตีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นของอุดมการหรือชั้นของมีธรรมะเป็นหลักใจแล้วจะไม่ยอมรับอะไรเลยที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำซึ่งเป็นชีวิตที่ปฏิบัติได้ยากอย่างที่พระผูม้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่บุคคลให้สมปรารถนานั้นเป็นไปได้ยากคือขอให้ลาบเกิดขึ้นแก่เราโดยชอบทำเนี่ยมันทำยากลก้วกณฑคือไม่จะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นโดยชอบทำจริงจริง บางทีมันก็ซิกแซกไปซิกแซกมาก็น่าจะเป็นธรรมแต่ดูแล้วก็ไม่เคยจะเป็นธรรมเท่าไหร่เช่นว่าขายของตอนขึ้นปีใหม่คนซื้อของกันมากก็อยากได้เงินมากเลยขึ้นราคานิดหน่อยมันก็ไม่เป็นธรรมไปเสียแล้วต้องก็เป็นเงินแต่นั่นเองเอดังนั้นการปฏิบัติในชั้นนี้จึ ง, จงยากแต่ว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งเขาสามารถปฏิบัติได้ ได้แก่พยายามควบคุมให้ได้มาโดยชอบธรรมจะยุติด้วยธรรมถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามธรรมทีนี้ในชั้นยศมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ท่านตั้งหลายจะพบว่าคนเ่านั้นพร้อมที่จะบริจาคเงินเป็นล้านนะเพื่อได้ยศ ห, หลายล้านก็ได้เพื่อให้ได้ยศขึ้นมาหรือถ้ารวยๆเขาก็พร้อมที่จะทําอะไรเพื่อให้ได้ยศเพราะอันยศจึงเป็นระดับที่สูงขึ้นแล้วถ้าเรามองดูว่า ในหมู่คนเราหรือว่าสัตว์โลกนั้นสัตว์ดิเรกชานที่เข้าถึงยศจะมีไม่เท่าไหร่จะไม่รู้คุณค่าหรือความสําคัญของยศก็มีไอ้พวกกิ้งก่าได้ทองไอ้สุนัขมีปลอกคออะไรช้างที่เขาแต่งตั้งให้เป็นอะไรนี่มันก็เบ่งเบ่งนิดๆหน่นนนอยๆแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงยศอย่างจริงๆจังๆอะไรเท่าไหร่สัดส่วนมากจะไม่รู้เรื่องยศแต่ว่าคนนั้นอย่างรู้เรื่องยศ ยางปรารถนายดการปรารถนายดมันก็มีสามทางเหมือนกันสาระดับเหมือนกันดังที่กล่าวแล้วคือพวกหนึ่งหนึ่งก็ตะลุยเลือดขึ้นมาเลยเราขอให้ได้ก็แล้วกันพวกหนึ่งจะต้องได้มาคือถูกกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนพอสมควรบางทีก็ผิดผิดเพี้ยนเพียไปบ้างแต่อีกพวกหนึ่งนั้นจะไม่สนใจว่ายศจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่ตัวเองจะสร้างงานแล้วยศมันจะตามมา กับงานที่ตัวสร้างขึ้นซึ่งก็มีความประนีตขึ้นยศนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมันก็มีอยู่3มระดับสามพวกด้วยกันประการแรกได้แก่อิสริยศซึ่งได้อิสรยศได้แก่ความเป็นใหญ่คือการได้รับการแต่งตั้งสถาปนายกย่องจากกฎกติการะเบียบต่างๆภายในสังคมนั้นพวกอิสรยศเมื่อก็อีกแหะ คือมันก็เกิดขึ้นได้สมระดับเหมือนกันบางพวกก็ปัดแข่งปัดขาเลื่อยขาเก้าอี้คนอื่นขึ้นมาใส่บัตรสนเทค่คนอื่นในคนอื่นพังแล้วตัวเองจะขึ้นสวมตำแหน่งพวกนี้ก็เอาทุกอย่างอีกพวกหนึ่งก็ได้มาในทางที่เหมาะที่ควรพอสมควรแต่ก็ไม่ค่อยประณีตเท่าไหร่อีกพวกหนึ่งจะได้มาในทางที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงคือมีวิชาความรู้มีความสามารถมีผลงานประจักษ์ เหมาะสมแก่การยกจ้องโลกมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ทุกยุคทุกสมัยประการหนึ่งก็คือบริวารายศการมีบริวาร น, นั้นอย่างพวกข้าราชการที่ได้อิสยศที่จริงมันบริวารมันก็ตามมาตามอำนาจหน้าที่ตามกติกาที่กําหนดการใครเป็นผู้บังคับบัญชาใครเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ความเจริญในด้านบริวารยศนั้นถ้าหากว่าบริวารก็เป็นบริวารตามหน้าที่ คือในฐานะผู้บังคับบัญชาสั่งก็สั่งทำก็ทำทำดีบ้างไม่ดีบ้างนี่ก็แสดงว่าไม่ประสบความสำเร็จในด้านบริวารยศทธายเท่าไร่ทำอย่างไรจึงจะให้บริวารนั้นนับถือเข้าถึงจิตใจ จ, จริงๆคือแม้จะปลดกเกษียณไปแล้วจะอยู่ในที่ไหนก็ตามหรือแม้เขามีตำแหน่งสูงขึ้นก็ก็ยังให้ความเคารพนับถือนี้แสดงว่าเป็นยศจริงๆ ในข้อนี้เคยมีปัญหาเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลในมหาสกุลุทายิสุติคือพวกนักบวชนอกศาสนาเข้ามาประชุมกันในคราวหนึ่งก็มาพูดกันว่าบรรดาศาสดาทั้งหลายในโลกเนี่ยก็ไม่ใช่ในโลกหรในชมพูทวีปว่าใครที่สาวกนับถือจะหลดกระดูกจริงๆก็ยกคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเป็นนันมากเพราะศาสดามีมากสมัยนั้น แต่ในที่สุดก็มีคนอื่นก็ค้านค้านค้านกันเร่ก็มาถึงพระพุทธเจ้า ก, ก็เสนอพระพุทธเจ้าขึ้นไปและในที่สุดที่ประชุมก็สรุปตกลงว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่นั้นเองที่สาวกนับถือจะหดกระดูกคือเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแม้แต่เสียงไอเสียงจามนั้นก็ไม่มีเสียงคุยก็ไม่มีถ้าใครจะไอแอมกระแอมอะไรก็จะมีเพื่อนสะกิดเอาไว้ ท่านเล่าว่าเวลาพระพุทธเจ้าประทับนั่งเนี่ยพระสงฆ์เป็นพันๆเ น, นี่ยถ้าไม่รับสั่งขึ้นก่อนแล้วเสียงเงียบหมดนะพระเจ้าชาติสูเคยเปรีภาพพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์เป็นบริวารหลายร้อยเข้าไปเดินเยชนอพระแล้วยังไม่รู้ว่ามีพระไปกลางคืนเพราะไม่มีเสียงพูดเลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งจะไม่มีใครพูดขึ้นในสมาคมนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นความเคารพนับถือที่จะหดกระดูกจริงๆ และอย่างตัวอย่างที่ยกเรื่องพระนนมาอย่างที่ให้ถือบาตรตามเสด็จไปส่งที่นิโครธ า, ารามเพื่อนแต่งงานยังไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวเลยถามมนนจะบวชไหมคือไม่รู้จะตอบยังไงเลยบวชเลยนี่แสดงให้เห็นว่าเคารพจะหดกระดูกคือไม่กล้าพูดไม่กล้าปฏิเสธอะไรเลยเพราะเชิดเชิดชูสการะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงเหตุผลคือเขามองพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดนะครับ ที่ลูกศิษย์ตุกหาเคารพนับถือจตุกระดูกเช่นว่ามีอาหารน้อยหนุงห่มผ้าบางสกุลเป็นต้นพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่หรอกที่ลูกศิษย์นับถือพระองค์นั้นเพราะพระองค์ให้เพราะพระองค์อนุเคราะห์เขาเขาต้องหวังพึ่งพระองค์ไม่ใช่นับถือเพราะพระองค์เคร่งคือฉันอาหารน้อยหรอกที่จริงพระองค์ฉันอาหารมากกว่าสาวกทั้งเยอะจีวรอะไรพวกจีวรสาวกของพระองค์บางองค์ในเก็บผ้ามาปะเป็นจีวร เย็บกันพระรุ่งพระรังแต่พระองค์บางทีก็รับจีวรที่ <c oughs> ที่ชาวบ้านเขาถวายได้ซ้าไปไม่ใช่ประเด็นนั้น <c oughs> แต่เป็นประเด็นที่ว่าสาวกนั้นต้องหวังพึ่งพระองค์เพราะในการมีบริวารนายศนั้นทำอย่างไรจึงจะให้เกิดซึ่งซึ่งใจคือเข้าถึงใจชนะใจเขาแล้วเขาก็ให้ความเคารพนับถือซึ่งบางครั้งบางคราวเราจะพบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอานาจ แล้วก็มีอิสยาคือตำแหน่งสูงเนี่ยแต่ว่าเป็นการนับถือกันในรูปแบบซึ่งราชการกําหนดเอาไว้พอปลดกเกษียณไปเดินก็ไม่มีใครทักอย่างเงี้ยนี่แสดงว่าคนก็ไม่นับถือถึงใจบริวารยศก็มีตามรูปแบบเท่านั้นเองบริวารยศกับอิสรยศที่บุคคลมีแต่ถ้าหากว่าอาศัยอิสยะคือความเป็นใหญ่สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็คูลแก่การงานแก่ภาระที่ตนรับผิดชอบอยู่มันก็กลายเป็นเกียรติยศเพราะาเกียรติยศท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบริวารยศกับอิศยยศนั้นเกิดโดยธรรมก็ได้ไม่โดยธรรมก็ได้มันก็มีตัวอย่างมากมายกายกองในโลกนี้แต่สมรับเกียรติยศแล้วจะต้องเกิดขึ้นโดยธรรมเท่านั้นเรื่องของคุณมโกโศกในที่นี้จึงเน้นไปที่เกียรติยศคือมันเกิดขึ้นได้โดยธรรมโดยตรง คือไม่ได้เกิดเพราะแกไปตอกๆ อ, อ, อ, อะไรอยู่แต่อาศัยที่ความมีธรรมะของแก่แล้วพระเจ้าก็ทรงสแสดงเกียรติยศก็หมายถึงว่าเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยกย่องก็ออกมาในรูปสรรเสริญต่อไปก็คือเรื่องสรรเสริญนั่นเองทรงสแสดงธรรมะไว้เจ็ประการอย่างที่ว่ามาแล้วซึ่งท่านทั้งหลายเห็นว่าเป็นธรรมะสากล น, นะฮะ ทุกวันนี้ใครก็มีธรรมะเจข้อนี้มันก็จเจริญด้วยยศทั้ง3ประการนั้นหรือลาบด้วยแล้วสุขด้วยสันเิญด้วย ส, สรนเิญด้วยสุขด้วยคืออุทานวโตวอุทานวโตวนั้นทรงใช้คำที่เน้นแล้วให้เห็นความเคลื่อนไหวในเชิงปฏิบัติที่จริงเป็นเรื่องของความเพียรนะฮะ แต่พระพุทธเจ้าใช้สำหรับชาวบ้านผู้ครองเรือนซึ่งรับภาระรับผิดชอบมากมีบริษัทบริวารมีลูกเต้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะต้องเอาใจใส่เลี้ยงดูจึงใช้คำเื่อใหม่กับชาวบ้านไม่ใช่ค่อยใช้คำว่าวิ ร, ยริยะเลาจะใช้คำว่าอุต ธ, ธนะอุต ธ, ธนะแปลว่าความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานคือเป็นคนตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใช่พอหนาวหน่อยแล้วก็นอนคลุมโปงแกล้งหลับตาว่ายังไม่รุ่ง วันก่อนนี้ที่ไปด้วยกันไปนอนไปพักที่จังผัดเลยทหารที่ไปไปด้วยนะ่ะมาลุกขึ้นอาบน้ําแล้วเรียกแกนอนช่ยเสร็จแล้วแกแก้ตัวแกบอกว่าผมนึกว่ายังไม่รุ่งนะจรย์มันว่าไปตั้งทุ่มตั้งตั้งโมงเช้ากว่าแล้วแกนอกแกไม่ยอมลืมตาเลยแกนึกว่าไม่รุ่งอันนี้ก็คือไม่ไม่ ไม่มองเห็นไอ้ความหนาวร้อนหิวกระหายเหลือบจุงลมแดดชาวสายบ่ายเย็นอะไรแต่ไรที่เรามาอ้างเนี่ยแล้วเป็นเหตุให้ไม่ทำการงานแต่จะต้องมีลักษณะกระตือรือรน้นเป็นคนทันการทันสมัยทำงานเหมาะเจาะแกเ่เหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหน้างานไรควรดวนงานไรควรช้างานไรควรทาให้รวดเร็วขึ้นก็ทาให้เหมาะสมแก่การงานนั้น ซึ่งในข้อนี้ทรงแสดงว่าทรัพย์ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำการงานได้อย่างเหมาะเจาะและท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้ในหัวใจเศรษฐี4ข้อที่เคยพูดนั้นก็ทรงใช้คำว่าอุทานะสัมปทาไม่ใช้คำว่าวิริยะใช้อุธานะสัมปทาคือมีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานเหมือนกับไรเรื่องกากับนกแกในนิทานสุภาษิต ท, ที่เขาเล่าคือกานั้นตื่นแต่เช้ามืด กรตื่นพร้อมกรกาโบราณเนี่ยมักจะสอนคนให้ตื่นพร้อมกระกาเพื่อจะได้ทํางานทานการทันสมัยกับเขาใช้เวลาเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองขึ้นให้เหมาะสมแก่รายรายจ่ายที่ตนจะต้องใช้จ่ายต่อไปก็คือทํางานนั้นจะต้องมีสติมะโตสติมะโตก็คือมีสติสติซึ่งจะต้องใช้ในการทํางานนั้น อย่างน้อยที่สุดนะฮะเราจะต้องระลึกได้สามช่วงของความคิดท่านผู้ฟังทั้งหลายจะอาจจะสังเกตเห็นว่าสตินี่ไม่เป็นยาดําแทรกอยู่ทุกคนทุกแห่งเนหะมือนก็บเกลือหรือเหมือนกับรายน้ําปลาของเราเนี่ยมันแครกอยู่ทุกอาหารเลยเพราะอะไรเพราะสตินี่มันขาดไม่ได้เลยตัวการใหญ่สติกับปัญญาเนี่เป็นตัวการใหญ่ในธรรมะทางศาสนานี่ไม่ว่าแสดงอยู่หมวดไหนสติกับปัญญาจะต้องอยู่ จะมันอยู่ในรูปขนาดไหนมีความเข้มข้นขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ขาดไม่ได้ในนี้สติมะโตความว่าสติมะโตก็คือความเป็นผู้มีสติปริมาณของสติที่จะต้องใช้ในการเสริมสร้างเกียรติยศชื่อเสียงกระลาบยศสรรเสริญสุขแก่ตนนั้นเอาขนาดไหนเกี่ยวขนาดระลึกเรื่องราวที่เป็นวิชาความรู้ประสบการณ์ในอดีต ท, ทั้งของตนและของบุคคลอื่น หลักการวิธีการต่างๆที่เคยศึกษาสําเนียกเล้วเรียนมาแล้วต้องดึงมาใช้ในปัจจุบันให้เหมาะเจาะกับการงานที่บังเกิดขึ้นซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราจะทําอะไรก็ตามในปัจจุบนันเราก็ต้องระลึกเรื่องอดีตได้ถ้าระลึกไม่ได้เราก็ทําไม่ถูกเพราะสิ่งที่เราทํานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เราทําเป็นมาแล้วหรือได้เรียนได้รู้มาแล้วสติก็ทําหน้าที่ระลึกที่เราแปลว่าสติคือความระลึกได้ แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่ทำอยู่นั้นพูดอยู่นั้นหรือแม้แต่คิดอยู่นั้นก็จะต้องระลึกทันการทำการพูดการคิดไม่ต้องอะไรแร้วแม้แต่หันผักเนี่ยหันผักมันก็ต้องระลึกทันว่าเราหันผักอยู่ระลึกทันอยู่ตลอดถ้าระลึกไม่ทันก็หันเอานิ้วได้สบายๆเหมือนกันแล้วเมื่อทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วต้องนึกได้หรือนึกออก ถ้าทำได้ทั้งสามช่วงจังหวะนี้ความเผลอเรอความหลงลืมความรังพลาดก็ไม่บังเกิดขึ้นต่อไปนั้นก็คืออะไรสุจิกรมัตสะมีการงานที่สะอาดการงานที่สะอาดนั้นเน้นถึงลักษณะของงานลักษณะของงานจะเอาขนาดไหนคนนั้นเป็นใครมันก็แล้วแต่อย่างที่คนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสมมติประจักค้าขายมันก็ต้องมีข้อแม ่นจะไม่ต้องไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตว์เป็นที่ทำเป็นอาหารไม่ค้าขายอาวุธทึ่จะนําไปทำลายล่างคนอื่นไม่ค้าขายสุราไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นการงานที่สะอาดคือลักษณะของงานสิ่งที่เราทำนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีสมมติว่าไม่ดีนะฮะก็ต้องให้เป็น ก, ากลางๆไว้อย่าให้มีลักษณะเป็นเป็นเป็นอันตรายแก่คนอื่นดังนั้น ไอ้พวกมิจฉาวณิชชาเขาเรียกว่าการค้าขายในทางผิดสำหรับอุบาสกพระพุทธเจ้าพูดสำหรับอุบาสกนะฮะอุบาสกอุบาสิกาถึงก็แปลเกันการปัจจุบันนี่โยมบางทีเข้าวัดนานๆก็เพื่อนไม่ไม่ชอบให้เรียกอุบาสกอุบาสิกากลัวจะแก่ที่จริงอุบาสกบาสิกาชื่อดีนะฮะชื่อเป็นมงคลอะแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรานาฏไรนะเหมือนราชพันลบใกล้ชิดในหลวงเนี่ยไม่ใช่เบานะฮะ ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าใกล้ชิดพระธรรมใกล้ชิดพระสงม์เดคนก็กลัวเมื่อวานก็ไปที่วิทยาลัยครูจังหวัดเลยพวกมหาทั้งหลายนี่เยอะเลยมีมหาคนหนึ่งไม่ยอมสแสดงตัวว่าเป็นมหากลัวคนก็จะรู้ว่าเป็นมหาอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันที่จริงเป็นมหาไม่ใช่สอบกันง่ายๆนะพระบางองหัวล้านไม่เหลือผมสักเส้นยังสอบมหาไม่ได้ นี่ตัวเองสอบได้ยังหลบไม่ยอมแสดงตัวเป็นมหามันก็แปลกคือคือคือมันก็ขึ้นอยู่กับการมองการเป็นอุบาสกบาติกาบางทีเรากลัวจะเป็นคนแก่ที่จริงไม่ได้เกี่ยวเลยอุบาสกอุบาติกานั้นคือผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัยผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยอยู่ในวัยไหนก็ได้แต่หมายถึงว่ามาตรฐานทางความประพฤติของบุคคล น, นั้นใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยคือผสมกลมกลืนกับพระรัตนตรัย มันก็เป็นยี่ห้อที่ดีนะฮะประกาศเกียรติคุณของตนดังนั้นการงานที่สะอาดจึงหมายถึงตัวลักษณะงานที่เราทำแล้วก็เจตนาที่ทำตลอดถึงวิธีการกระทำซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการงานนั้นจะไม่ต้องสร้างจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นส่วนตัวเองเหน็ดเหนื่อยนะธรรมดานะฮะ ที่จริงตามหลักในการประกอบอาชีพท่านบอกว่าตนเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนคือระดับนี้นะฮะระดับศีลธรรมธรรมดาจะมีสูตรอยู่2 ส, สูตรเท่านั้นเองคือไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นซึ่งหมายความว่าเราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนแต่ว่าความเหน็ดเหนื่อยอะไรนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าเหน็ดเหนื่อยคือความเดือดร้อนอย่างนี้เลยไม่ต้องทํากันผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํางานนั้นเป็นการงานที่สะอาดอะไรก็ได้กสิก ทำเกษตรกรรมทำสวนทำนาเป็นอาชีพต่างๆรับราชการต่างๆจะต้องทำการงานที่สะอาดยกตัวอย่างเช่นเป็นข้าราชการเวลาราชการก็คือทำงานให้ราชการไม่เอาเวลาราชการไปทำเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าเอาผลประโยชน์จากราชการไปหรือว่าทำงานไม่คุ้มกับสิ่งที่ราชการให้เป็นต้นมันก็อยู่ในกลุ่มของไม่ฉาชีวะนั่นเองสรุปว่าเป็นสัมมาอาชีวะ ได้แก่การงานสะอาดนั้นก็คือห ล, ลักของสมาชีวะแต่สมาชีวะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของคนอีกและเพราะคนเราก็มีอาชีพไม่เหมือนกันจึงจะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบไปตามสุขควรแก่กรณีนั้นแต่เราก็ดูได้ที่ผลคือไม่กระทบเป็นความเสียหายความเดือดร้อนแก่คนอื่นนั่นถือว่าเป็นการงานที่สะอาดแล้วก็นิสมาการิโน ใครครวนพินิษฐ์พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงจะทํานี่ท่านจะเห็นว่าเป็นลักษณะปัญญานะฮะเป็นปัญญาที่นํามาใครคครวญคานี้ท่านใช้คําหลายคำมนานัสิการบ้างโยนิโสมนานสิการบ้างแต่ในที่นี้ใช้คําว่านิสมการิโนได้แก่การใครครวนการพินิษพิจารณาถึงการงานที่ตนจะทําก่อนจะทําอะไรก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ทำไปแล้วได้ประโยชน์ยอย่างไรประโยชน์ที่ได้นั้นมันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมก็คล้ายๆกับนี่แหละเราทําการงานทั่วๆไปอย่างในบ้านในเมืองเราเราจะเห็นว่ามีการงานแยะอย่างต่างจังหวัดเนี่ยในปีหนึ่งที่จังหวัดที่ที่อำเภอสีชนจังหวัดนครนะก็ปลูกมันาวกันไม่ทราบสักกี่หมื่นกี่แสนต้นแล้วผลทุดท้ายขายร้อยละบาทขูดฝังดินกันสบายเลยคือ คือมันไม่รู้จะทำยังไงเพราะอะไรเพราะขาดนิสมาการิโนมันเป็นการเคอตามกันหรือเหมือนกับที่ปราณบุรีปลูกสับประรดอ่ะบางปีไปทางใต้ไปเจอสับประรดกองริมถนนนี่เกลื่อนไปหมดเลยเพราะมันขายคือว่าจะขนมาขายก็ไม่รู้จะขนมาทำไมมันมันไม่คุ้มกับค่าน้ำมัน ด้านนั้นนิสมการอิโนโนมันก็ต้องดูลักษณะของการงานสมมติเราจะผิดการเกษตรกรรมมันก็ต้องดูว่าจะผิดอะไรละตลาดต้องการขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนเพียงไรลงทุนเท่าไรได้กำไรเท่าไรอะไรเนี่ยก็คือระบบการคิดอย่างมีอย่างมีเหตุมีผลการทำงานทุกอย่างนั้นนิสมการณะคือการใคร่ครวญวินิจพิจารณาจะต้องมีสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเป็นงานที่ต่อเนื่อง ซึ่งเวลาทํางานจริงๆตัวสติกับตัวนี้แหละแกก็จะมาคุมมาทํางานประสานสัมพันธ์กันคือมีสติแล้วก็มีปัญญาคือระลึกแล้วใคร่ควรวนใคร่ควรวญระลึกระลึกแล้วก็ใคร่ควรวญทํางานสัมพันธ์กันไปเรื่อยเรียกว่า น, นิสมาการิโนใคร่ควรวนแล้วก่อนทําอย่างที่ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินว่าใคร่ควรวญก่อนใคร่ควรวญก่อนแล้วจึงทําดีกว่า เพราะถ้าหากว่างานอะไรก็ตามที่เราใคร่ครวญเลงเหตุเลงผลคือผลยังไม่เกิดหรอกแต่เราดูที่เหตุมันก็เชื่อมโยงก็หาผลได้ถ้าจะผลเป็นความเดือดร้อนมันก็หยุดไม่สร้างเหตุไม่สร้างเหตุผลคือความเดือดร้อนก็ไม่เกิดมันก็เท่านั้นเองต่อไปก็คือการสารวมระวังสัญญตัตระนั้นคือสารวมระวัง สำรวมระวังแม้ในการทำงานท่านจะเห็นว่าสำรวมระวังคืออะไรคือสติกับนิสมการณะมนก็ออกมาเป็นสำรวมระวังติดแล้วดูธรรมะทรงกระจายออกไปถึงเจข้อเอาก็จริงมันก็มีไม่กี่ข้อนะแต่เป็นลักษณะการใช้ธรรมะว่าตรงเนี้ยจะต้องมีสัญญะคือความสำรวมระวังสำรวมระวังอย่างไรเพราะในเพราะในการทางานนั้น บางอย่างมันมีงานที่ลักษณะละเอียดประณีตโอกาสที่จะพลั้งพลาดก็เกิดขึ้นได้ง่ายบางครั้งบางคราวมันก็สูญเสียไปเลยขาดทุนยุบยับไปเลยหรือบางชีเคยไปพบหมอคนหนึ่งแกผสมสูตรยาผิดโอ้โหเททิ้งไม่รู้สักเท่าไหร่น่าเสียดายขาดทุนไปยุบยับเลยเพราะอะไรเพราะว่าขาดการสํารวมระวังขาดการพิจารณาคือขาดสติผสมสูตรผิดสูตรทีเดียวแต่นั้นเอง แล้วก็เป็นความเสียหายกานไอาการสำรวมระวังจึงหมายถึงว่าควบคุมตัวเองนะฮะควบคุมตัวเองในการกระทำที่สืบเนื่องกันไปจึงก็ประสานสัมพันธ์ทำงานด้วยความหมั่นขยันอย่างมีสติในขณะเดียวกันก็ขณะทำทำอย่างสำรวมระวังโดยการแคร์กรวนพินิพิจารณาก็หนุนกันอยู่ตลอดนี่ ต่อไปก็เป็นธรรมชีวีหรือธรรมชีวิโนโอไอธรรมชีวีนั่นแหละแต่ว่าท่านเรียงเป็นวิพัฒ์หนึ่งต่างหาก็ธรรมชีวีได้แก่มีชีวิตที่ประกอบด้วยธรรมซึ่งหมายความว่าการดำารงชีวิตของบุคคล น, นั้นคือมีเส้นบรรทัดเป็นขอบข่ายจะทําอะไรก็ตามผิดหรือถูกอย่างที่โบราณท่านสอนแยกนั่นแหละ ธรรมะมันก็ไม่ได้หมุนไปไกลเท่าไหร่หรอกว่ากันตามความจริงก็คือแยกว่าอะไรบาปอะไรบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ถ้าสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นก็คือชีวิตที่ไม่เป็นธรรมหรืออาธรรมาชีวีชีวิตที่ไม่อยู่ด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยธรรม ส่วนที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณก็กลายเป็นธรรมชีวีคือมีชีวิตที่อยู่ด้วยธรรมเพราะงั้นในธรรมชีวีก็คือหลักการดํารงชีวิตในในฐานะอะไรคือการงานที่สะอาดนั่นเองการงานที่สะอาดทรงผลออกมาเป็นธรรมชีวีคือเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยธรรมบุคคลเหล่านั้นในชั้นของการแสวงหา ในชั้นของการได้มาในชั้นของการจับจ่ายใช้สอยก็มีหลักธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจควบคุมจิตใจจนในการงานทําการงานในชั้นของการผลิตหรือขั้นของกา ร, การสแสวงหาก็อาศัยหลักของอุทธธานะอย่างที่ว่ามาแล้วแต่ให้สมบูรณ์ด้วยความหมั่นขยันในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนนั่นคือการสแสวงหา เมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้ว <_ an> <อ>ก็จะต้องมีการรักษาเอาไว้ที่รงใช้คำว่าอุทนาสัมปทาอารักษสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการรักษาในการบริโภคซื้อหาจับจ่ายก็มีหลักของสมชีวิตาคือเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่กําลังอัตลักษของตนกําลังรายได้ของตนไม่ให้น้อยเกินไปเรียกว่าผืดเครืองจนเกินไปหรือไม่พุ่งเฟือยห ร, รูหราจนเกินไป จนถึงกับอะไรจนถึงกับแม้ชีวิตที่เราเกี่ยวข้องอย่างอะไรพวกวิภาคกกรรมทั้งหลายนะ่ะที่มีปัญหากันอยู่นั่นนะ่ะท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าเพราะความเห็นแก่ตัวของค น, นลักษณะธรรมชีวิตมันจึงไม่ค่อยเกิดแล้วคนไม่ค่อยได้ใครครวนได้พินิจพิจารณา จนบางครั้งบางคราวในบ้านในเมืองเราไม่รู้ว่าใครเป็ น, ปนหัวมแม่มือใครเป็นนิ้วก้อยกันเลยพวกเรียกร้องต้องการอะไรทั้งหลายนั้นอาตมานั้นสังเกตมานานสังเกตมาตั้งแต่อยู่ที่อินเดียไอ้พวกขบวนการพวกประท้วงเรียกร้องทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีธรรมชีาติเพราะเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเองแต่ณนขณะเดียวกันก็ร้องเพลงชาติกันกระหึ่มเลย สละเลือดทุกหย่างเป็นชาติพีเอาอย่างงั้นนะเลือดจะสละนะฮะแต่ความเห็นแก่ตัวมันยังไม่สละเลยพวกนี้พร้อมที่จะสละชาติเพื่อชีพเสมอเลยทั้งๆ ท, ที่มันร้องเพลงว่าจะสละชีพเพื่อชาตินั้นมีอยู่มากม า, กายไกลของมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งแต่ศูนย์หนึ่งเจเนี่ยมาติดตามเรื่องข้อเสนอไอ้พวกนี้อยู่เสมอเลยและเห็นว่าไม่มีไอ้ความรู้สึกอย่างนั้น พวกพร้อมจะสะละชาติเพื่อชีพที่มีเจ้เรียกร้องเอาสารพัดร้อยสีพันอย่างยังไม่ต้องดูอะไรหละคอสมกอกที่มันขึงมืออยู่วันก่อนนะไม่รู้จะเป็นเทวดามาจากไหนย้ายที่อยู่ก็ไม่ได้เพราะงั้นในพวกที่อยู่ตามเมืองชนอยุธยาอยู่ราชบุรีอะไรตัวอะไรก็ต้องสร้างบ้านในกรุงเทพไปอยู่ไ้หมดเลยเพราะมาทงานกรุงเทพนี่เพราะอะไรเพราะเราคิดกันถึงตัวเอง นึกถึงผลประโยชน์เพื่อตัวเองเท่านั้นตัวเองเล็กนี่เดียวชาติบ้านเมืองใหญ่โตไม่ได้คิดถึงกันเลยมุ่งแต่จะสนองตอบความยิ่งใหญ่ของตัวเองเท่านั้นและในสุดเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นผู้บริหารใครเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาใครคือคมนโยบายใครเป็นผู้รับสนองนโยบายเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครไอ้ลูกน้องมันจะขึ้นบริหารด้วยบ้านเมืองมันก็อยู่ไม่ได้เพราะมีกฎเกณฑ์อะไร เนรน้อยจะไปสั่งงานแทนสมภาร์สมภารจะสั่งอะไรต้องปรึกษาเนรก่อนเด็กวัดบอกไม่ได้ผมต้องเอาด้วยเพราะผมก็เป็นประชาชนนี่ประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยอย่างนี้ก็เลิกไม่ต้องอยู่วัดกันแล้วเนี่ยคือมันไม่มีหลักของธรรมชีวีแล้วพอความรู้สึกมันเพี้ยนๆอย่างยกตัวอย่างให้ไกลๆหน่อยคือในอินเดียนะอินเดียที่อามาไปไปอยู่มามันเสนอแล้วขำที่สุดเลย มันเสนอบอกว่าให้ไวชันเซนเลอร์ลาออกไวชันเซนเลอร์คือหมาวิทยาลัยพารานสีเนี่ยชันเซนเลอร์เป็นเป็นมหาราชาท่านเป็นตําแหน่งกิตติมศักดิ์เท่านั้นเองตัวบริหารก็คือชนันเ อ, อไวชันเซนเลอร์ให้ไวชันเซนเลอร์ลาออกให้รับนักศึกษาทุกคนที่สมัครเข้าเรียนทั้งหมดแล้วนักศึกษาที่ทําความผิดซึ่งถูกไล่ออกไปนะั้นให้เรียกกลับมาทั้งหมด แล้วพวกแกที่ประท้วงนั้นอย่าถือว่าเป็นความผิดแล้วให้เพิ่มคะแนนให้แกคนละสิบคะแนนดูหน้ามันด้านขนาดไหนคนน่ยคือมันไม่มีความสํานึกนะฮะพวกเหล่านี้เป็นพวกมืดบอดในทางสติปัญญาในทางเหตุผลแล้วผู้บริหารบางครั้งบางคราวก็ไปยอมสยบ ก, กับอํานาจเหล่านี้ไอ้ความไม่เป็นธรรมมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ อ, อย่างคราวหนึ่งประชุมกันที่ตึกสันติมิตีตามเนี่ยรัฐบาลอะ ประชุมกันเรื่องเอกลักษณ์แห่งชาติอาตอมาเป็นวิทยากรกลุ่มก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์พูดอะไรลับนอกจากว่าเขาจะถามมาแต่ที่มันขำก็คือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเรียกร้องรัฐบาล17ข้อแต่แก้ให้รัฐบาล7ข้อแต่ละเด็กเรื่องธรรมดาธรรมดามากให้นะแต่เรียกร้องในฉกัดชกันมากเลยทําตัวเองอยู่เหนือกฎหมายเลย ถ, ถ้าหากว่าให้หมดทั้ง17ข้อเนี่ย อยู่เหนือกฎหมายไปเลยกฎหมายเอื้อมไม่ถึงหมดเพราะขึ้นไปลอยอยู่ข้างบนนี่คือลักษณะที่ขาดธรรมชีวีไอ้ความเป็นธรรมชีวีมันจึงมีอยู่ทุกคนทุกแห่งธรรมชีวีแบบพระมันก็คือแบบพระที่เป็นธรรมชีวีธรรมชีวีแบบพระอาจจะไม่ธรรมชีวีแบบคารวะก็ได้พระบินทบาทเป็นธรรมชีวีชาวบ้านบินทบาทก็ไม่เป็นธรรมชีวีก็แล้วแต่ ก็ว่ากันไปเป็นรายเป็นรายไปปัญหาสําคัญว่าการดํารงชีวิตที่ยุติด้วยธรรมหรือประกอบด้วยธรรมนั้นได้แก่การปฏิบัติภารกิจตามขอบข่ายการงานของตนแม้มีความบกพร่องซึ่งลักษณะเหล่านี้ถ้าท่านติดตามข่าวพวกประท้วงอย่างที่อาตมาเคยติดตามมาเนี่ยมาติดตามมาตลอดฮนะ แล้วมากส่วนมากจะตัดจะจดว่าบางทีก็อ่านก็จําได้แล้วเพราะมันไม่กี่ข้อแก่ไม่เคยพูดว่าแกจะให้อะไรแกหน่วยงานเหล่านั้นเลยสักประโยคเดียวนะฮะมีแต่เรียกร้องร้องร้องร้อง้อ ง, อ ง, อ ง, องขอเป็นเด็กที่เลี้ยงไม่รู้จักโตเพราะงั้นปัญหาธรรมชาชีวีเป็นปัญหาใหญ่แต่พวกนี้มันยากมันอยากได้ยศเหมือนกันเลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ยศเพราะว่าไม่มีธรรมชาชีวี จากตัวอย่างเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าอุทานวะโตคือความเพียรเป็นเตลุกขึ้นทําการงานสติมโตมีสติสุจิกามัตสะการงานที่สะอาดนิสมากาลีโนสัญญาตตะตกลงว่าตัวการสําคัญก็คือมีสติกับมีปัญญาแล้วก็มีความขยันส่งผลให้การงานเหล่านั้นสะอาดกลายเป็นธรรมชีวพ ทีนี้ดูแล้วมันตั้งเจข้อนี่บอกจะยากพระพุทธเจ้าก็มาสรุปด้วยคําเดียวตอนท้ายอปภมาตตสะคก อ, อยาประมาทไม่ว่าจะอยู่ในฐานะในอาชีพอะไรก็ตามสรุปแล้วว่าอย่าประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นทางของความตายแต่ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความไม่ประมาทจึงใช้อยู่ทุกขณะที่จริงความไม่ประมาทกับสติตัวเดียวกันนะฮะ เวลาท่านอธิบายท่นานอธิบายว่าความไม่ประมาทได้แก่การไม่อยู่ปราศจากสติความมีสติก็คือความไม่ประมาทเราพูดไปพูดมาความไม่ประมาทเมื่อกล่าวเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มทั้งหมดนะฮะเป็นกลุ่มทั้งหมดท่านจะเห็นว่าท่านจะแสดงในมุมกว้างอยู่สามมุมคือเรื่องวัยเรื่องชีวิตเรื่องโรค อย่าประมาทว่าวัยเรายัางหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงไม่เป็นไรเราสนุกสนานไปก่อนค่อยตั้งตัวทีหลังค่อยทำงานทีหลังอย่างนี้ชื่อว่าประมาทเพราะว่าเมื่อภารกิจมาถึงข้าวคนต้องรีบเร่งกระทำตามคติไทยที่ว่าพายเถิดพอภายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าหรือน้ำขึ้นให้รีบตักในคนไทยเราก็ไม่ย่อยนะ คือเข้าใจเอาอะไรมาคิดเอาธรรมชาติมาสอนลูกสอนหลานเอาไว้แล้วก็ในชีวิตชีวิตเราเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็เห็นเห็นกันอยูนะ่ว่าถ้าไปมัวผลัดวันประกันรพรุ่งรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนนะค่อยปีหน้าค่อยปีใหม่ค่อยให้อายุเลยเบญจะเพศเสียก่อนอะไรอะไรเนี่ยคนไทยเราไปถืออายุเบญจะเพศนะว่าเป็นอะไรมั น, ในใคล้ายๆกับว่า เป็นปีที่เสียงเป็นปีจะตายแต่ว่ากันมันไปนหลอกกันเราก็เชื่อกันได้ดีๆที่จริงมันก็ปีไหนไม่ได้มีความสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลาในแต่ละปีเหล่านั้นที่มาถึงข้าวไปแนวไหนเท่านั้นเองในชีวิตก็อยากคิดว่าชีวิตเราจะยั่งยืนตลอดไปหว่าชีวิตเราจะไม่พลั้งพลาดจะไม่เสื่อมเสียหรือจะไม่ทาความ เดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นก็อย่าอย่าประมาทในชีวิตของตนเองและพยายามใช้โอกาสของชีวิตที่มีอยู่ชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่คือมีอยู่อะไรมันมีอยู่ตอนนี้ก็ใช้มันให้ดีๆก็นแล้วกันใช้เป็นประโยชน์ให้มากและในความไม่มีโรคเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ก็เหมือนกันเป็นที่น่าเสียดายว่าคนเป็นนัานมากเดี๋ยวนี้มีโรคอะไรเนี่ยอามาพืชเอามาผ่า ท, าาที่น่ากลัวมากมันปุบ ป, ปับ บางคนนะมีโรคอะไรต่างอะไรนะทั้งเบาหวานทั้งโรคหัวใจทั้งโรคความดันมันน่าตายทั้งนั้นเพราะงั้นถ้าชีวิตมาในลักษณะนี้มีโรคภัคยไข้เจ็บในลักษณะนี้มันก็ต้องพยายามรีบเร่งสร้างเสริมคุณธรรมความดีเอาไว้นั้นชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดที่มองในมุมกว้างของชีวิตว่าสิ่งเหล่านี้เราเราประมาทไม่ได้ทั้งหมดเลยที่ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าประมาทนะถ้าประมาทในปฐ ม, มวัยก็อย่าประมาทในมัชจิ ม, มวัยถ้าประมาทในมัจจิ ม, มวัยอีกก็อย่าประมาทในปัจจิ ม, มวัยถ้าประมาทในวัยทั้งสมแล้วทรงอุปมาไว้สวยนะฮะตัวอุปมาว่าจะอยู่ในสภาพของนกกรเรียนปีกเขียนปีกปีกปีกขนปีกมันหลุดหมดให้ไป น, นอนอยู่ในหนองน้ําแห้งอาหารจะกินก็ไม่มีจะบินไปกินก็ไปไม่ได้ นอนรับนับวันตายอยู่ท่านนั่นเองตัวอุปมาให้ให้เห็นภาพว่าชีวิตของคนอย่างน้อยถ้ามันประมาทอะไรก็ตามเลยอย่าประมาทที่ทั้งสามบ่อยถ้าประมาททั้งสามบ่อยแล้วจะเป็นโมฆะชีวิตคือว่างเปล่าจากสาระแกนสารที่จะเอาเนื้อหาสาระอะไรไม่ได้เลยและในขณะเดียวกันนั้น ทางแห่งยศที่ส่งแสดงมาทั้งหมดถึงเจดข้อตัวการสําคัญนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุดจริตนันอยู่ที่สุดจริตความมันขยันก็ต้องมันขยันในสุดจริตเพราะคนบางคนเราจะพบว่าไปแอบไปขโมยของเขาแม้มันก็มันก็มันขยันไม่เบากันนะอุตสาเจาะประตูเขาเข้าไปอุตสาหปีนรั้วเข้าไป แต่มันขมันขยันไปในทางที่ผิดดังนั้นท่านจึงต้องคุมไว้ที่สุดจริตประมันขยนนันในสุจริตก็ได้ทุจริตก็ไดนะ้มีสตินี่ทำในทางทุจริตก็ได้สุดจริตก็ได้ไอ้พวกลวงกระเป๋าคนมีสติเก่งจะตายนะมันฝึกหยิบขี้เท่าบุรีไม่ให้แตกก่อนนะจึงลวงกระเป๋าคนที่โรงเรียนที่หาดใหญ่นี่มีสอนสอนลวงกระเป๋านี่ฝึกหยิบขี้ท่าบุรี่กระโดดหยิบนะ กระโดดจิบไม่แตกแล้วส่งออกปฏิบัติงานเป็นโรงเรียนเลยเนี่ยเมืองไทยเราเลยเลยเลยเจริญกันสนุกสนานไงมีแต่โรงเรียนสอนกันอย่างเงี้ยเอ่อดังนั้นจึงมาอยู่ที่สุดจริตสุดจริตอะไรก็คือไม่ประมาทในสามในสี่เรื่องในสีเรื่องที่ทรงแสดงโดยสรุปว่าไม่ประมาทในการละทุจริตทางกายประพฤติสุดจริตทางกาย ไม่ประมาทในการละทุจริตทางวาจาประพฤติสุจริตทางวาจาไม่ประมาทในการละทุจริตทางใจประพฤติสุจริตทางใจแล้วไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทําความเห็นให้ถูกเพราะงั้นมาอยู่ตรงนี้เองคือสรุปแล้วว่ามาอยู่ตรงเนี้อยู่ที่ตรงมีความเห็นเป็นสมัมมาทิฏฐิเมื่อคนมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิจะมองสิ่ ง, งต่างๆสิ่งทั้งหลายในโลกเ ป, เป็นเหตุเป็นผลก้องกันไรกัน เพื่อเมื่อเหตุอย่างหนึ่งเหตุกับผลจะไม่ขัดแย้งกันแต่เหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีดังนั้นยศจะเกิดขึ้นแก่บุคคลก็ต้องสร้างเหตุที่ดีไม่ว่าในชั้นของอิสยศก็ตามก็ต้องสร้างเหตุที่ดีบริวารยศเกียรติยศก็ต้องสร้างเหตุที่ดีเหตุะะที่ดีนั่นก็หมุนกลับมาในคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ เพราะคุณธรรมทั้งเจประการนี้แม้ในองค์ธรรมทั้งเจนั้นท่านทั้งหลายเห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลของการเองเป็นเหตุเป็นผลของกันเองแล้วเวลาปฏิบัตินะฮะเวลาปฏิบัติมันเป็นธรรมะไปตั้งหลายอย่างในขณะเดียวกันเช่นสมมุติว่าอะไรสมมุติว่าท่านจะปรุงอาหารสักอย่างหนึ่งนี้ฮะมันก็มีอุตสานะมีการงานที่สะอาดมีสติ มีไข้ครวนแล้วก่อนทํามีความสํารวมระวังแล้วก็ไม่ประมาทฮะไม่ใช่ว่าพออาอาหารวางไว้เสร็จแล้วก็มานั่งคุยเพลินฟัง ว, วิทยุเพลินทอดขายใบไม้หมดพอได้กลิ่นอ่ะจึงวิ่งกลับเข้าไปในครัวก็ก็จบธรรมะนั้นก็ดูแลใกล้ๆมากนะแต่อย่ามองมากมันเหมือนกับวิชาความรู้อะไรที่เราเขียนหนังสือเราอ่านหนังสือเราทําอะไรถ้าเรามานั่งนับองค์ธรรมแล้มันเยอะเหลือเกิน ในขณะที่เราเขียนหนังสือตัวเดียวนี่ก็มีองค์ธรรมตั้งหลายองค์มีอะไรมีสติมีปัญญามีความเพียรแล้วก็มีความมีสัจจะคือมีความจริงจึงออกเดินออกมาไปรูปตัวหนังสือได้องค์ธรรมที่มากจึงไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวอะไรแต่เป็นการสอนในแง่ในมุมต่างๆเท่านั้นเอง เมื่อบุคคลเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เข้าสูตรของพวกกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมากที่สุดในประสูตรต่างๆกิจการใดก็ตามที่ทําไปแล้วความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ให้ละสิ่งเหล่านั้นการใดที่ทาไปแล้วความ โรคความหลงที่ความโกรธความโรคความโรคความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วเสื่อมไปก็ให้ทําสิ่งนั้นมันก็เป็นสูตรอย่อยางนี้กุศลจึงเป็นเรื่องเขาเรียกว่าคันลองแห่งธรรมคือมันเดินไปใน ส, า, สายของธรรมตัวการที่สําคัญจริงๆก็สติปัญญาหรือสัมมาทิฐิหรือไม่ประมาทที่จริงก็พวกเดียวกันนะฮะเรียกชื่อตามลักษณะการใช้แต่นั้นเอง พวกนี้ก็จะคุมวิถีทางการดำเนินชีวิตของบุคคลให้ดำเนินไปเมื่อบุคคลเดินไปแล้วอิสยะคือความเป็นใหญ่ก็จะเกิดขึ้นบริวารก็จะติดตามมาแต่ถ้ามีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองเป็นธรรมชีวีเกียรติยศความดีก็จะเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายต่ก็เดินได้ด้วยกุศลธรรมทั้ง7ข้อติวามาแล้วนี้ คือใครจะให้พรหรือไม่ให้พรก็ตามมีสคศหรือไม่สคศก็ตามความเจริญในด้านลาบยศสรเสริญสุขก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นแต่ในธรรมนองตรงกันข้ามถ้าบุคคลไม่ยอมสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลเช่นนั้นแม้จะได้สคอศออเป็นตั้งตั้งมาก็ตามความเจริญในด้านลาบยศสรเสริญสุขก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะลาบยศสรเสริญสุขนั้นเป็นอิทธพลที่บุคคลต้องการ ทมทั้งหลายนั้นมาเกิดเกิดมาจากเหตุบุคคลปรารถนาผลเช่นไรให้สร้างเหตุเช่นนั้นแล้วผลที่ตนต้องการก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้ไปพินิจพิจารณาและประพฤติปฏิบัติเพื่อสร้างความเจริญในด้านลาบยศฉันเสริญสุขซึ่งเป็นอิทธิลที่ท่านทั้งหลายต้องการปรารถนาและให้ประสบผลเหล่านั้นในปีพุทธศักราช 2,527 โดยทั่วกันตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของแต่ละท่านสมบับปันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงต้นนี้